ดีดีธรรมบัญญายชุดบูชาพระพรมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักเท้ามหาพรหมโดยพระพรหมกุณาพรออประยุตโตวัดยา น, นเวศ ก, กวันตําบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่หนึ่งเรื่องคุยกับเนนพอให้เห็นพระพรหมบัญญายเมื่อวันที่ 23มีนาคมพุทธศักราช2549อีตอนนี้ขามีข่าวสาคัญข่าวอะไรครับสุรปันโยทุกพระพรมครับพระพรมนี่แหละพระพรมมาแลนะนพระพรมเอราวันพระพรมนี่ก็มีกี่หน้าสี่ห น, นพระพรมมีสี่หน้าแล้วก็พรหมมีหารก็มีสี่ข้อไงนะ ก็นี่แหละก็คือเป็นหลักธรรมะที่มาเทียบเคียงกับพระพรหมพระพรหมนี่เป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาไหนเอ่ยพรามก็พรหมกับพรามชื่อก็บอกแล้วนะใช่ไหมพรหมพรามพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างสารรค์บัรดาลโลกแล้วก็สร้างสารรค์บัรดาลสังคมมนุษย์ทั้งหมดนี่ตามหลักศาสนาพราม อ้าวนี่ก็ทางสันนาพรามเขาก็มีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างในภาษาไทยเราจะได้ยินอย่างคำว่าพรหมลิขิตเคยได้ยินไหมครับอ่าคนไทยไม่น้อยเชื่อพรหมลิขิตนึกว่าเราจะเป็นยังไงชีวิตของเราจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จหรือไม่เป็นยังไงก็เป็นที่พรหมลิขิตพรหมลิขิตก็มาจากพรหมการลิขิตลิขิตแปลว่าอะไรเขียน ก็แปลว่าชีวิตเราโชคชะตาของเราเนี่ยพระพรหมท่านเขียนให้ไว้แล้วถูกไหมก็แก้ไขอะไรไม่ได้สิถ้างั้นนี้พุทธศาสนาไม่ยอมรับหลักนี้แต่ว่าคนไทยทั้งท่านที่เป็นพุทธก็ยัยงไปเชื่อพรหมลิขิดอยู่ผิดไหมครับก็ผิดนะสิไปเชื่อได้ยังไงครับครูตัวเป็นพุทธเนี่ยไปเชื่อสอาสนาเปล่า ถ้าพระพรหมมันเขียนไม่หมดแล้วเราก็ไปทำอะไรได้ล่ะใช่ไหมมันก็ต้องเป็นไปนตามท่านทีแก้ไขไม่ได้ตางพุทธเราไม่ได้ยอมไม่ให้ยอมตามนั้นต้องเพียรพยายามใช้สติปัญญาความสามารถพัฒนาตนเองเพื่อจะได้สร้างชีวิตให้มันดีพัฒนาตัวเองได้อันนี้ศาสนาพราหมณ์ก็มีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกพระพรหมนี่ก็ เป็นใหญ่อยู่เดิมแล้วต่อมาสานาพรามนี่ก็วิวัฒนาการจะเลยขึ้นมานานๆเขาก็มีเทพเจ้าอื่นเกิดขึ้นเทพเจ้าบางองค์ที่เคยเล็กก็ใหญ่ขึ้นมานานกระทั่งก็ชักจะมพระพรมพระเจ้าที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสององค์เนี่ยก็คือพระนารายเคยได้ยินไหมครับพระนารายนะพระนารายก็ใหญ่มากเหมือนกันนะแต่มาใหญ่ยุคหลัง พระพรหมมีมาแต่เดิมนารายนี่เพิ่งมียุคเนี่ยเอาง่ายๆก่อนสานาคิสตไม่นานแต่ว่าของพระพรหมนี่มีก่อนพุทธศาสนาตั้งนานมีมาแต่เดิมพระพรหมท่านใหญ่มาแต่เดิมต่อมาพระน า, ายฬิชใหญ่ขึ้นมามีผู้นับถือมากขึ้นก็เกิดเป็นนิกายที่นับถือพระน า, ายก็ถือว่านาฬาิใหญ่กว่าพระพรหมอีกพวกที่นับถือพระนาฬ เขาก็กลายเป็นสร้างตํานานขึ้นมาใหม่ให้นารายย์ใหญ่กว่าพระพรหมนารายนี่มีชื่ออีกอย่างเรียกว่าพระวิษณุเคยได้ยินไหมครับอ่านี่พระวิษณุองค์เดียวกันให้จําไว้ด้วยวิษนุนารายณ์นี่องเดียวกันสองแล้วนะพระพรหมกับสองพระนารายณ์หรือวิษณุทีนี้อีกองค์หนึ่งคือพระอิศวนเคยได้ยินไหมอ่าได้ยินคนไทยได้ยินหมดและพระเจ้าเหล่านี้ พระอีศวนก็ใหญ่มากอีกพวกหนึ่งก็ไปนับถือพระอีศวนนี่พวกนับถือพระอิศวนก็จะถือว่าอิศวนใหญ่กว่าพระนารายณ์เอาล่ะสิทีนี้ก็แข่งกันฝ่ายพวกนับถือพระอีศวนก็มีตำนานแต่งขึ้นมาว่าใหญ่กว่าพระนารยอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้อีศวนเนี่ยมีชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าพระศิวะเคยได้ยินชื่อไหมครับอ่าเคยนะโตงลงได้ยินหมดแหละอ้าวก็ทวนอีกทีหนึ่งมี พระผู้เป็นเจ้าของศาสนาพราหมณ์เดิมมีองค์เดียวคือพระพรหมเป็นผู้สร้างผู้บรรดาทุกสิ่งทุกอย่างต่อมามีอีกสององค์ก็คือพระนารายณ์ซึ่งมีชื่อหนึ่งว่าพระวิษณุกับพระอิศวรซึ่งมีชื่อหนึ่งว่าพระศิวะเป็นสามองค์สมองค์นี้ต่อมาเขาก็มีกุยวัฒนาการก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะทําให้เกิดความสามัคคีอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเขา เก็ถือว่าสามองค์เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็สามทรีอินวันสามในหนึ่งสามในหนึ่งสามก็เป็นอันเดียวกันแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาเรียวกว่าตรีมูรติเคยได้ยินไหมครับเอ๊ไปได้ยินอย่างไหนตรีมูรติเลืออ้าวทำไมเป็นสอนเรื่องนี้ล่ะก็มันอยู่ในวิชาสังคมเลืออ ตรีมุรติบางคนเนี่ยไปได้ยินเพราะว่ามีรูปปั้นพระตรีมุรติอยู่ที่ไหนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนไปนับถือมากเหมือนกันท่านทราบไหมเนี่ยมีศารพระตรีมุรติเดี๋ยวนี้ก็แบบเดียวกับพระพรหมมีเอราวัณแล้วพระนารายณ์มีที่ไหนแล้วก็มีพระตรีมุรติเดี๋ยวนี้กรุงเทพเที่มีกันบุ้นหมดแล้วสร้างสารกัน พาสารพระมีตรีมูรตินี่ก็มีคนไปไหว้เยอ ะ, อะตรีมูลติก็คือสามองค์รวมกันกลับมาเรื่องพระพรห ม, มอีกนิดหนึ่งเรื่องพระพรห ม, มนี่เริ่มต้นไว้แล้วังกันยังไม่พูดไม่จบนี่พระพรห ม, มเป็นผู้สร้างโลกตามคติศาสนาพระมเหสีพระเจ้าสูงสุดนี่เพราะพระพรห ม, มท่านยิ่งใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอุปมาเหมือนกับท่านมีดวงตาที่มองเห็นรอบบดทั่วจักรวาลทุกทิศ ก็เลยสร้างคติเป็นว่ามีสี่หน้าสี่หน้ามันก็ครบทุกทิศใช่ไหมก็เห็นหมดเลยนะถ้าเรามีหน้าเดียวเราก็เห็นได้ด้านเดียวนี้พระพรหมท่านเห็นหมดสี่ทิศเลยก็รู้หมดเลยอันนี้ทางพุทธศาสนาเราก็เกิดขึ้นมาในถิ่นที่นับถือศาสนาพราหมณ์แต่เราไม่ได้นับถือความยิ่งใหญ่ของพระพรหมอย่างนั้น แต่ว่าพุทธศาสนาก็ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นใครไม่เบียดเบียนใครพระพรหมก็ยังอยู่ได้พระพรหมก็เลยเกิดมีฐานะใหม่เป็นสัตว์ตวโลกชั้นสูงสัตว์ตวโลกชนิดหนึ่งชั้นสูงคือหมายความว่าโลกนี้มีสัตว์ประเภทต่งตางๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนี้สัตวต์ต่างๆเราเนี่ยมีหลายระดับ ที่มีสติปัญญามีคุณความดีมีธรรมะสูงก็เราเรียกว่าเป็นพวกเทวดาเทวดาก็เป็นระดับขึ้นไปเช่นเทวดาชั้นโลกบาล4ชั้นดาวดึงชั้นดุสิตละไรพวกนี้เคยได้ยินชื่อไหมเน่ยจนกระทั่งไปสูงขึ้นไปก็เป็นพระพรหมแล้วพระพรหมนี่ก็มีอีก16ชั้น16ชั้นนี้เป็นชั้นรูปประพรหม แล้วยังมีอรูปพรหมอีกสี่ชั้นอีกโอ้เยอะแยะหมดนะเป็นยีสิชั้นนีพระพรหมเนี่ยเอาละเนี่ยไปอ่านว่าพระพรหมก็เยอะแยะนี่พระพรหมเนี่ยก็เยอะแยะหมดเลยพระพรหมก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่ไม่ใช่เป็นผู้สร้างโลกแล้วพระพรหมนี่ก็เวียนว่ายตายเกิดได้พระพรหมนี่เมื่อหมดบุญหมดความดีก็กลับมาเกิดในภพต่ำมาเป็นมนุษย์ หรือถ้าทําไม่ดีอีกก็ไปเกิดในโนโรกได้อีกอันนี้คนทุกคนอย่างมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าพัฒนาจิตใจดีได้ฌานสมาบัติสมาธิชั้นสูงตายก็ไปเกิดเป็นพระพรหมได้พระพรหมก็ไปจากมนุษย์นี่แหละไปจากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่พัฒนาจิตใจได้ดีเอาละนี่ก็พระพรหมก็มีความหมายใหม่อย่างพระพรหมที่เอราวันเนี่ยให้ไปดูสิเขาบอกไว้เลย บอกว่าพรมเนี่ยถ้าจะมาออกรับการไหวบูชาเส้นสูงของมนุษย์เนี่ยตอนข้ามทุกวันเว้นวันพระท่านอ่านหรือเปล่ารู้ไหมเนี่ยอยู่ต้องรู้ทันเขาท่านมารับการบูชาเนี่ยทุกวันเว้นวันพระแล้ววันพระท่านไปไหนรู้ไหมไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เขาบอกว่าอย่างงี้นะนี่ของของเขาเองนะไม่ใช่เราว่าเขาว่า ก็แสดงว่าพระพรหมนี่เป็นพระพรหมที่ยอมรับมานับถือพุทธศาสนาแล้วใช่ไหมวันพระไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเออเนี่ยพระพรหมที่เอราวันนี่แหละวันพระไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอันนั้นใครจะไปหาพระพรหมก็ต้องเว้นวันพระเนี่ยคนไทยเราเนี่ยบางทีนับถืออะไรคิดแต่ว่าจะเอาบูชาอยากได้นอนได้นี่แล้วไม่รู้รเรื่องสิ่งที่ตัวไปบูชาอย่างพระพรหมที่ตัวไปขอ ไปเส้นเนี่ยยังไม่รู้เลยท่านเป็นยังไงท่านมาอย่างไงใช่ไหมแย่ yeah! คนไทยเนี่ยขาดการเรียนรู้ไม่ศึกษาเลยเนี่ยต้องเตือนโยมนะวันพระไปขอไม่ได้ก็ต้องไปขอวันธรรมดาต้องเว้นวันพระที่จะไปขอพระพรมวันพระพระพรท่านขอโอกาสไปฟ้าพระพุทธเจ้าอันี้ชาวบ้านไม่รู้ก็ปฏิบัติผิดหนึ่งก็ไปขอทุกวันเลยไม่เว้นวันพระ ผิดแล้วใช่ไหมพอได้ทุกวันต้องเว้นวันพระหนึ่งละสองไม่สนใจพระพรหมบ้างเอาแต่ใ จ, จตัวขออย่างเดียวไม่นึกถึงพระพรหมบ้างมีใจเบื่อแฝ่ไทยถามพระพรหมบ้างว่าพระพรหมครับเมื่อวานนี้วันพระท่านไปฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังทำอะไรมานะผมจะได้ฝังบ้างสามที่สําคัญเลยนะ ก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าทั้งพระพรหมและเล่าชาวบ้านเนี่ยก็มาพบกันวันธรรมดาเรามีเรื่องของชาวบ้านมาขอเดือดร้อนมีทุกข์มีภัยแต่พวันพระแล้วทั้งพระพรหมและทั้งชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็ไปวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปไหว้พระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยคือพระพรหมทั้งก็เป็นพุทธศาสนิกชนและชาวบ้านก็เหมือนกัน เรามีหน้าที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือพอถึงวันพระก็ไปทาหน้าที่ของตนต่างก็ไปไหว้พระพุทธเจ้าไปฟังธรรมอ้าวนะวันพระพระพรหมท่านก็ไปไหว้พระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันก็มีหน้าที่ต้องไปไหว้พระไปวัดฟังธรรมก็คือโบราณเขาหาทางออกไว้ให้ให้มันมีช่องพัฒนาบ้างทาได้อย่างนี้ก็เจริญงอก ง, งามสังคมไทยยังมีช่องให้เจริญบ้าง มั้งงั้นปิดช่องจเจริญหมดเลยขอผลดนบรรดาท่าเดียวไม่เอาไหนเอาละนี่ให้เรารู้ไว้หน่อยว่าพระพรหมที่เอราวันเนี่ยเขาสร้างกันขึ้นเปิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2อ9สอกกี่ปีแล้วกี่ปีครับ2499มาถึงปัจจุบันไหนห้าิบปีห้าปีก็ถือว่าห0ปีพอดีเนี่ยพระพรหมเอราวัน ได้ห้าสิปีหนังสือพิมพ์ลองบอกคู่บ้านคู่เมืองคู่บ้านคู่เมืองอะไรแล้วแค่ห้สิปีว่ากันไปได้ดูสิคนไทยเอออย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ส่งทรงใช่ไหมอ้าวก็แปลว่าท่านมีประวัติมาอย่างเงี้ยนะได้ห้าสิบปีแล้วก็เรื่องของท่านเองก็บอกอย่างเงี้ยบอกว่าท่านออกรับเครื่องเส้นมนุษย์เนี่ยทุกวันเว้นวันพระวันพระไปฟ้าพระพุทธเจ้า คนไทยไม่สนใจเลยจะเอาอย่างเดียวนะก็น่าจะไปถามรพระผูหมบ้างโอท่านครับเมื่อวานวันพระท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมว่าไงบ้างครับผมจะได้ฝังบังใช่ไหมหรือว่าเออพระพุทธเจ้าฝากคําสอนอะไรมาให้พวกเราบ้างไหมยังดีใช่ไหมถามงนี้บ้างไม่ถามเลยเอาอย่างเดียวเนี่ยสังคมอย่างนี้จะไม่ไหวนะ เนี่ยต้องพัฒ น, นาแหละไม่รู้ไม่ชี้อะไรเท่านั้นเลยเอาอย่างเดียวก็เรียกว่าสังคมรอผลดลบันดานลลังระวังนะหวังราบรอยคอยผลดลบันดาลคนไทยไม่น้อยเป็นอย่างนี้จริงไม่จริ ง, รงหวังราบลอยนี่คือยังไงไอะไรนะฮนะหวังราบรอยก็หวังลาบจะถูกหวยลอตเตอรี่คือมันไม่รู้ มันจะถูกไม่ถูกใช่ไหมมันแล้วแต่ลอยมาก็คือเลื่อนลอยนั่นแหละลอยก็เลื่อนลอยอ้าวคอยผลดนบันดาลไปไงไปไงคอยผลดนบันดาลแต่สกายลับเราคำมฤติฐานจริงจริงเออก็ไปขอไงไปเส้นไหวแล้วก็ไปบนบนอาเจ้าประคูณ น, นี่ เ, เรียกว่าคอยผลดนบันดาล ไปขอท่านแล้วบนแล้วใช่ไหมก็คอยไปสิเพราะตัวเองทําไม่ได้นี่ใช่มมันก็ต้องรอให้ท่านดนบันดาลให้นี้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งเหตุปัจจัยใช้ปัญญาเราก็ต้องเรียนให้รู้เหตุปัจจัยแล้วก็ทําเหตุปัจจัยไม่ต้องไปคอยอย่าไปคอยอยู่ถ้าไปคอยท่านเรียวกว่าประมาทถูกไหมเพราะฉะนั้นรัตทิหวังลาบลอยคอยผลดนบันดาลเนี่ยมองตามหลักพุทธศาสนาก็คือรัตทิแห่งความประมาท ก็ผิดหลักพุทธศาสนาทีนี้ชาวพุทธเราเนี่ยมันเลื่อนลอยไม่เคยรู้คําสอนของพุทธศาสนาเองก็เลยเที่ยวเฉฉายเข้าไปประพฤติผิดผิดถูกถูกไปเชื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องที่จริงถึงไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยพระพรหมนี่ท่านก็เป็นพุทธเหมือนกันคือท่านนับถือพุทธศาสนาแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้ว เมื่อพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างขวางก็ไปพระพรหมก็เลยกลายมาเป็นพุทธเยอะเลยมีเรื่องในพระไตรปิฎกด้วยนะพระโมคขลาเนี่ยไปปราบพระพรหมเอาไปอ่านดูได้ในพระไตรปิฎกไปปราบพระพรหมแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆเพลงนี้ก็เกิดจากเรื่องระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระพรหมไม่ใช่เฉพาะพระโมกขลากับพระพรหมนะพระพุทธเจ้าก็เคยไปปราบพระพรหม สมัยก่อนเวลาไปปราบอย่างเงี้ยเขาใช้คําว่าทรมานพระพุทธเจ้าไปทรมานพระพรหมเอ๊ะอย่างนันพระพุทธเจ้าจะเมตตาหรือจะทำไมไปทรมานทรมานแปลว่าอะไรครับทมเห้สมบูมงว่าไงทรมานทําให้เจ็บปวดเนี่ยภาษาไทยเราเข้าใจผิดนี่ก็เป็นตัวอย่างคําเพี้ยนอา้าวทาความเข้าใจซะทรมานเนี่ยนะภาษาบาลีว่าธรนมะนะ ละธรรมะตัวนี้ตัวเดียวกับคำว่าธมะเคยได้ยินไหมธรรมะใครเคยได้ยินบ้างธรรมะธมะทอทหารหมอมาสละสัจะธรรมะขันติจากะได้ยินไหมอ้าวได้ยินอมาในหลักที่เรียกว่าคาราวาสธรรมสีธรรมะแปลว่าอะไรเอ่ยธรรมะแปลว่าฝึกไอ้คาว่าทรมาเนี่ยเดิมมันก็มีความหมายเป็นธรรมะนี่แหละ คือไปฝึกไปฝึกหมายความว่าไปทำให้คนเนี่ยดีขึ้นไปฝึกเขาให้เขาเปลี่ยนแปลงจากที่มันเคยไม่รู้ไม่มีปัญญามันโง่ให้มีปัญญาขึ้นก็เรียกว่าฝึกเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนพาลก็ทำให้เป็นบัณฑิตก็เรียกว่าฝึกคำว่าทรมานก็คือไปเปลี่ยนนิสยัยอันนี้พระพุทธเจ้าไปทรมานพระพรหมก็คือไปเปลี่ยนแปลงพระพรหมให้ดีขึ้นให้ท่านเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ให้ถูกต้องไม่ใช่ไปทรมานให้เจ็บปวด <S <S นี่ภาษาไทยมันเพี้ยนไปอ้าวเข้าใจซะทีนี้เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีไทยด้วยเวลาพระจะขึ้นเทศเนี่ยปีพ่ายเขาจะบรรเลงเพลงหนึ่งเคยได้ยินไหมเอ่ยใครใกล้ชิดกับประเพณีไทยบ้างใครเคยได้ยินไหมเวลาพระจะเทศมีเพลงหนึ่ง เขาเรียกว่าเพลงสาธุ ก, การไม่ทันและสมัยนี้นะเป็นเพลงที่เพาะมาเวลาพระจะขึ้นเทศปี่าเขาจะบรรเลงเพลงสาธุ ก, การก็เรื่องมันก็เป็นมาอย่างนี้คือนี่มันเข้ามาเป็นเรื่องตำนานมาเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีก็คือมีเรื่องว่าพระพุทธเจ้าไปทรมานพระพรหมพระพรลงองนั้นชื่อพระกะคนไทยเรียวกว่าพระกาพรหม นพิพ ก, กาพรหมท่านเป็นพรหมท่านก็ถือว่าเนี่ยท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านก็ไม่เกิดไม่ตายท่านก็อยู่อย่างเงี้ยพรธเจ้า ก, ก็ไปทรมานก็คือไปแก้ความเข้าใจผิดที่จริงท่านไม่ใช่ว่าไม่เกิดไม่ตายล่ะคือพรหมในเข้าใจผิดตัวเองมีอายุยืนจนกระทั่งว่ามันทวนระลึกไปไม่ไหว นึกไปเมื่อไหร่ตัวเขายัางอยู่ก็เลยนึกว่าตัวเนี่ยไม่เกิดไม่ตายที่แท้เนี่ยไม่จริงพระเจ้าไปแก้กความเข้าใจนี่พระเจ้าไว้สนทนากับพระพรหมที่ชื่อพระกับพรหมถึงตอนหนึ่งก็ทดลองริษกันอันหนึ่งก็คือบอกว่าเอา้าวมาลองหายตัวกันแล้วหาก็เรียกว่าซ่อนหาแหละซ่อนหาแบบนี้ก็คือหายตัวไปเลยหายตัวไปแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งต้องบอกได้ว่าอยู่ไหน เรียกตัวกลับมาถ้าบอกได้อีกฝ่ายก็ต้องแพ้ใช่ไหมนีอ้าวตกลงพระพรหมหายตัวก่อนพระพรหมก็หายตัวไปจะไปอยู่สะดือทะเลใต้หมหาสมุทรสุจจกวาลไหนพระพุทธเจ้าชี้ไดห้หมดพุทธเจ้าเธออยู่นี่ไปสุจจกวาลไหนยิ่อยู่นี่พระพรหมยอมขั้นที่หนึ่งแปลว่าหนีไม่รอดแหละก็ถึงทีตาพระพุทธเจ้าบัง อ้าวพระพุทธเจ้าหายตัวบงังให้พระพรหมหาพระพุทธเจ้าก็หายตัวหายพระองค์วิ บ, บพระพรหมมีสี่ทักษมองเห็นทั่วจักรวาลหมดเอ๊อย่างนั้นก็ยังมองไม่เห็นเจอ ก, กรนทั้งในที่สุดอ่อนใจเอาแล้วยอมและ พ, ะพุทธเจ้าอยู่บนเสียงพระพรหมพระพรหมบอกเรายอมและลงมาเถอะพุทธเจ้า ว, า ง, า, า, วางเงื่อนไขว่ายังไม่ลงต้องเชิญลง ต้องแต่งถ้อยคําให้ไพเราะเชิญลงนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของเพลงสาธุการก็คือเพลงที่พระพรหมแต่งขึ้นเพื่ออัญเชิญพระพุทธเจ้าเพลงสาธุการก็เกิดขึ้นในดนตรีไทยเวลาพระจะขึ้นเทศก็ตั้งบรรเลงเพลงสาธุการพระก็เดินขึ้นธรมรมะเทศนี่พระพรหมก็อัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จลงมานีอันนี้ก็เป็นส่วนตำนานของไทยแหละ แต่ว่าไปเชื่อมกับเรื่องในพระไตรปิฎกเรื่องในพระไตรปิฎกนั่นไม่เหมือนอย่างในไทยหรอกแต่ว่าในไทยนี่เราเอามาเล่าให้คนไทยเข้าใจง่ายๆเพราะชาวบ้านนี่จะไม่เข้าใจเรื่องลึกซึ้งทนี้พระ เ, ะเจ้าจัดในนั้นมันเป็นเรื่องคําสอนที่เราเรียกกันว่าปรัชญานี่ชาวบ้านจะเข้าใจายังไงล่ะคนไทยเราที่เป็นบนรรพบุรุษก็ฉลาดเจะเอามาสื่อสารกับชาวบ้าน ก็ต้องมาแต่งเป็นเรื่องให้มันสนุกก็พูดกันเป็นเรื่องเป็นล่าอีกแบบหนึ่งเนี่ยเรื่องในวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีรากฐาน ม, มาจากพุทธศาสนาท่านจะได้รู้ไว้พระพรองก็แปลว่ามีสี่พักก็เห็นสัตว์ทั่วไปหมดทั่วจั ก, กรวาลอันนี้พุทธศาสนานั้นไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องพระพรมและอำนาจยิ่งใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ก็เปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมะสูงสุด ก็เอาธรรมะคือความจริงเนี่ยมาให้มนุษย์ศึกษาเล่าเรียนให้รู้ความจริงและปฏิบัติให้ถูกต้องก็เลยเอาหลักเกี่ยวกับเรื่องพระพรหมนี่มาใช้ในความหมายใหม่พรหมมีในพุทธศาสนาหนึ่งก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งที่สูงประเสริฐที่ได้สมาธิได้ฌานสมาบัติแล้วสัตว์โลกที่ประเสริฐก็ต้องมีคุณธรรมความดีโดยเฉพาะก็จิตที่สูงที่เป็นสมาธิเนี่ย จิตที่เป็นสมาธิจิตดีนี่ก็มีคุณสมบัติท่านก็ให้หลักที่ว่ามนุษย์เนี่ยจิตยังไงจะเป็นจิตที่ดีจะเป็นจิตที่ช่วยให้อยู่ร่วมกันในโลกอย่างมีสันติสุขมนุษย์แต่ละโคนควรจะรับผิดชอบต่อโลกที่ตัวอยู่ด้วยไม่ใช่รอให้พระพรหมมาสร้างตัวเองได้จะทําลายเราทุกคนนี่แหละสร้างสารรค์บรรดาลโลกได้ด้วยการที่เราก็ทําต่างๆทําไม่ดีเราก็ทํำลายโลกถูกไหม ที่เราเบียดเบีย น, นกันอย่างนี้ก็คือทำลายโลกถ้าเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ช่วยสร้างสรรค์โลกใช่ไหมอ่านี่แหละพระเจ้าก็ทรงเอาที่จุดเนี้ยมนุษย์เรานี่แหละไม่ต้องไปมัวมองเทพเจ้าเรกพวกเธอนี่แหละทุกคนเนี่ยเราต้องรับผิดชอบช่วยกันสร้างโลกให้ดีเราก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันพื่อดีต่อกันมีความสัมพันธ์ที่ดี ก็ามาจากคุณธรรมในใจก็ต้องมีคุณธรรมที่ดีคุณธรรมที่ดีที่มีต่อกันต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกาพ้าผพรมที่มีสหน้าตั้งเป็นหลักขึ้นมามีธรรมะ4ี่ข้อถ้ามีแล้วก็เหมือนพ้พรม4ีหน้าเมื่อปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ัตว์ทั้งหลาย4อย่างเนี่ยสม่ำเสมอทั่วกันหมดก็รักษาให้โลกนี้อยู่ได้ดี มนุษย์ทุกคนก็จะมีส่วนในการสร้างสารรค์บรรดาลโลกนี้หมดเราเป็นพรหมเลยถ้าเรามีคุณธรรมสี่ประการนี้เราเป็นพรหมทุกคนเป็นพรหมไม่ต้องรอให้พระพรหมมาถามให้เข้าใจไหมครับอ่านี่หลักพุทธศาสนานั้นท่านก็เลยให้พรหมวิหารสี่เนี่ยวิหารแปลว่าที่อยู่พรหมก็คือพระพรหมสี่ก็คือธรรมะสี่ข้อ ที่เป็นที่อยู่ของพระพรหมหมายความว่าพรหมก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในคุณธรรม4ประการเนี้ยเหมือนกับธรรมะสประการนี้เป็นที่อยู่ของพรหมเราก็เรียกง่ายๆว่าประจําใจธรรมะประจําใจพระพรหมสี่ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาถ้าเราปรพฤติปฏิบัติตาม4ข้อเนี้ยเราทุกคนเนี้ยจะทําให้โลกเนี้ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงนี่ก็ตั้นและเอาแต่ความหมายง่ายๆ หนึ่งเมตตาไป็นอะไรครับเอ่อเมตตาอ้าวช่วยกันหน่อยพยายามเดาก็ได้อยาช่วยเหลือผูเอื่ช่วยเหลือผู้อื่นก็ใกล้กับไปแล้วก็ได้ไหนยะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องให้ความหมายมันชัดคือเรียนอะไรนี่ต้องพยายามให้ชัดอะไรฮะการคิดสองสารก็จนๆไปเฉียดๆไปอ้าวเอื้เ อ, อเฟือแบ่งปันครับก็เกือบๆอยู่แต่ยัไม่ตรงทีเดียว เนี่ยถ้าเรามีหลักในการเข้าใจนะมันจะชัดและโยงกับเรื่องอื่นได้หมดเลยบางงันเราก็จะมาเฉิดเฉิดเฉดฉอยู่อย่างเงี้ยจะเข้าใจได้ยงไงชัดละ่ะมีวิธีเข้าใจมันมีหลักที่สำคัญบงงันมันจะทั่วเป็นสี่ด้านได้ยังไงสี่หน้ามันก็สีดส่ด้านสี่ด้านมันจริงครบถ้าไม่ครบสี่อย่างมันก็ไม่ครบสี่ด้านไม่ครบสี่ด้านมันก็ไม่ทั่วหมดสี่อย่างนี่ต้องครบไม่ครบแล้วไม่ทั่วหรอก แค่ผมถามว่าเมตตากรุณาต่างกันยังไงเมื่อกี้ผมถามเมตตาแล้วท่านก็ตอบว่าอย่างนี้แล้วถ้าผมถามกรุณาท่านก็ตอบอย่างนี้อีกใช่ไหมมันจะเหมือนกันได้ยัางไงเมตาก็อย่างกรุณาก็อย่างแล้วเวลาผมถามทั้งเมตตาก็อันนี้แหละพอ <MO VE> ถามกรุณาอก็ตอบเหมือนกันแสดงว่าไม่ชัดแหละคนไทยเนี่ยแยกไม่ออกละเมตตาการกุณาต่างกันยังไงเพราะว่าไม่รู้จริง ต้องแยกได้นะเมตตากรุณาอ้าวจะเล่าให้ฟังเพราเวลาน้อยแล้ววันนี้ให้ได้หลักนี้ไว้คนเราเนี่ยนะชีวิตของคนเราทุกคนที่เราสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยเรามองคนอื่นเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติต่อเขาให้ดีมีจิตใจต่อเขาให้ถูกต้องทีนี้คนเราเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆที่คนเราเขาประสบเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้อง ตามสถานการณ์นั้นๆแล้วสถานการณ์ที่เป็นหลักๆเนี่ยเขามีอยู่กี่สถานการณ์ก็พูดง่า ย, ายๆเริ่มต้นมันก็สถานการณ์ปกติสิใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่กันสบายๆเหมือนกับอยู่ในบ้านอย่างสมมะเนี่ยเวลาอยู่บ้านอยู่ก็โยมเราก็สุขสบายดีล่ำเรียนหนังสือไปตามปกติเราก็ไม่เป็นโรคภยัยแค่เจ็บอะไร นี่เรียกกับสถานการณ์ปกตินี่สถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปสถานการณ์ที่สองอา้าวลองคิดดูสิไม่ปกติแหละสถานการณ์นะั้นไม่ปกติมีกี่แบบอา้าวลองดูเนี่ยเอาจากเรื่องธรรมดาธรรมะมาจากเรื่องธรรมดาสถานการณ์ที่สองจะมาแล้วแต่นี้หนึ่งมันปกติสองมันก็ต้องไม่ปกติใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้ไม่ปกติเนี่ยมันมีกี่แบบอา้าวช่วยกันคิดสิน่าจะสองแบบครับ อา้าวว่าไงก็มี ด, ดีกับแย่ฮะอ่านี่แสดงว่าใช่นะสถานการณ์ไม่ปกติใช่มีสองถ้าเราใช้คําให้ชัดถ้าหนึ่งมันปกติมันไม่ปก ต, ปกติก็คือมันตกต่ำลงกลับขึ้นสูงใช่ไหมก็ไปอ่านว่าพอแบ่งซอยไปไม่ปกติสองรวมเป็นเท่าไหร่รวมได้กันทั้งหมดเนี่ยเป็นกี่อันสามครับสามสามสถานการณ์ อานาะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยอยู่ในสามสถานการณ์สถานการณ์ที่หนึ่งเป็นปกติสถานการณ์ที่สองก็ตกต่ำตกต่ำนี่คือเดือดร้อนเป็นทุกข์เขามีปัญหาเขายากจนค้นแค้นเขาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เรียกว่าสถานการณ์ที่สองตกต่ำเดือดร้อนเอาแล้วสถานการณ์ที่สามขึ้นสูงคืออะไรจะเลยก้าว ห, นะหน้าประสบความสาเร็จได้ดีมีสุข อย่างเนรอยู่บ้านกระโยมเวลาลาศิกขาไปแล้วสอบได้ดีอย่างนี้เป็นตน้นสอบได้ที่หนึ่งอย่างนี้เลยว่าสถานการณ์ขึ้นสูงใช่ไหมหรือว่าไปได้งานทาดีๆได้เงินมาอย่างนี้สถานการณ์ที่สามเอาทัวนอีกทีหนึ่งสถานการณ์ที่หนึ่งเป็นปกติสถานการณ์ที่สองตกต่ําสถานการณ์ที่สขึ้นสูงคนก็มีสามสถานการณ์นี่แหละ เราก็ต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ทั้งสมนี้เราก็ต้องมีคุณธรรมมีจิตใจสมอย่างสำหรับสถานการณ์ที่หนึ่งท่านก็ให้มีคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตาเมตตาเวลาให้ความหมายจะต้องเข้าใจสถานการณ์นี้ต้องตรงกับสถานการณ์เป็นปกติถ้าท่านไปบอกสงสารนี่ตรงสถานการณ์ไหมตรงไหมสงสารมันต้องสถานการณ์ที่เท่าไหร่ สนั่นเขาต้องเดือดร้อนตกต่าํามีปัญหาสถ า, านการณ์เป็นปกตินี่ยังไงล่ะทีนี้เออก็คือเรารักใคร่ปรารถนาดีเป็นมิตรเมตตาจะเห็นว่าเขียนเกือบเหมือนกับมิตรเลยใช่ไหมเมตตามิตรภาษาบาลีมิตรต่อสองตัวทีนี้เราใช้มิตระเป็นรอเพราะว่าเป็นสอนสกฤตบาลีสอนสกฤต ต, ต่างกันนิดหนึ่ง บาลีเป็นมิตรต่อสองตัวก็ตากับเมตตาแค่อะไรเป็นสระอีกับสระเอมิตรเป็นเมตตาอ่เป็นอาแล้วก็เอาอีเป็นเอก็เป็นเมตตามิตรเป็นคนเมตตก็เป็นคุณธรรมความเป็นมิตรน้ำใจมิตรคือเมตตาถ้าแปลตรงๆนะเมตตก็คือน้ำใจมิตรจำไว้เลยง่ายนิดเดียวเมตตก็แปลว่าน้ำใจมิตรหรือความเป็นมิตร ความเป็นมิตรคืออย่างไรคือปรารถนาดีต่อการรักกันอยากให้เขาเป็นสุขถูกไหมเอา น, านี้สถานการณ์ที่หนึ่งนี่เมตตาเมื่อเขาอยู่เป็นปกติไม่มีอะไรเดือดร้อนไม่มีอะไรขึ้นลงทั้งนั้นเราก็มีความเป็นมิตรมีเมตตาปรารถนาดีรักกันได้แล้วนะข้อหนึ่งมเมตตาภ า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาศษาสันสกฤตเขาใช้คําว่าไมาตรีที่จริงอันเดียวกัน ภาษาบาลีเรกว่าเมตติเมตตาเมตติเพราะเมตติเป็นภาษักฤจก็เป็นไมตรีเอาละทีนี้ต่อไปสถานการณ์ที่สองเขาตกต่ำเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์เราก็ต้องมีข้อที่สองมาเราต้องเปลี่ยนและย้ายอยู่กับเมตตาไม่ได้แล้วตอนนี้ทายที่จะไปข้อไหนชื่ออะไรอ้าวทายข้อสองทายได้เลยไม่ยากเอออะไรเออ จ้อัครดิตลองทายดูยสิไม่ตาไปแล้วนี่ทีนี้ก็อะไรล่ะก็ง่ายนี่การุณาการุณาก็ถึงแลนี่แหละสองกรุณาก็คือนี่แหละจิตใจที่พลอยหวั่นไหวในทุกของคนอื่นกรุณานี้แปลอ ย, อย่างนี้นะท่านจำไว้ถ้าต้องการให้ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยแปลว่าความมีใจพลอยหวั่นไหวไปกับความทุกข์ของคนอื่น พอเห็นคนอื่นทุกข์ยากเดือดร้อนยากจนค้นแค้นประสบภัยอันตรายมีโรคภัยขัเจ็บแล้วใจหวั่นไหวทนนิ่งอยู่ไม่ได้ก็ต้องทำไงต้องหาทางช่วยปลดเปลื้องทุกข์ใช่ไหมดึงเขาขึ้นมาก็คือสถานการณ์ที่สองเขาตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็มีกรุณามีใจหวั่นไหวเราแปลเป็นไทยว่าสงสารภาษาไทยแปลว่าสงสาร แต่ปลจากภาษาบาลีตรงๆนะครับแปลว่าความมีใจวันไหวไปกับความทุกข์ของผู้อื่นแล้วก็หาทางช่วยเหลือปลดเปลื่องให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นแค่นี้ท่านเห็นไหมต่างกันไหมเมตตากรุณาต่างไหมครับครับแล้วต่างชัดไหมชัดชัดแจ๋วเลยใช่ไหมไม่ต้องไปถามกันอีกแล้วเมตตากรุณาต่างกันอย่างไรจริงแม่นเตนจริงอ่าเนี่ยมีหลัก จับหลักนี้ได้ปั๊บมันชัดแจ๋วแหววเลยมื่อกนก็พูดกัอยู่นั่นน่ะเมตตาการุณามันต่างกันยังไงอธิบายอยู่นั่นโอ้ไม่ชัดสักทีก็เป็นการใช้คำพูดเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ของจริงอันนี้มันของจริงเลยเอาวลัทธินีสองแล้วนั้นหนึ่งเมตตาคือภาวะจิตที่ปรารถนาดีมีน้ำใจเป็นมิตรต่อผู้อื่นในยามที่เขาเป็นปกติ การุณาความสงสารพอมีจิตใจวันไหวไปในยามที่เขาตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์อยากจะช่วยเหลือทีนี้ต่อไปสถานการณ์ที่สท่านบอกแล้วนี่สถานการณ์อะไรอสมภิรสัมมาสถานการณ์อะไรครับที่สสถานการณ์อะไรฮะอันที่หนึ่งเป็นปกติสถานการณ์ที่สองเขาตกต่ำเดือดร้อนสถานการณ์ที่ส้ <S 2> <S 2> <S อ่าขึ้นสูงสถานการณ์ที่3เขาขึ้นสูงคือได้ดีมีสุข ประสบความสําเร็จเราก็เปลี่ยนอีกก็เปลี่ยนไปเป็นข้อที่สามคืออะไรสัมมาเนธ น, นพลณ์ทายได้ไหมครับความยินดียินดีเอาพรอยยินดีได้ภาสาไทยก็เอาเดี๋ยวนี้เขามีนะเขามีพิธีแสดงอะไรเวลาคนสอบได้เวลาคนได้ตําแหน่งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีพิธีแสดงอะไรมุานั่นแหละนั่นแหละนี่มาจากอันเนี้ยมุทิตามุทิตาก็แปลว่า พลอยยินดีด้วยพลอยยินดีด้วยก็หมายความว่าพลอยอนุโมทนาพลอยชื่นชมชื่นชมที่เขาได้ประสบความสุขความสําเร็จก็ไปแสดงความยินดียินดีด้วยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนใช่ว่าเห็นคนนี้เขาเล่าเรียนศึกษาได้ประสบความสําเร็จสอบได้ดีก็ไปมุติตาแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มุติตา ไม่ใช่แค่ไปแสดงอาการบางทีไปแสดงอาการแต่ใจไม่ได้ยินดีด้วยก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ใจใจตัมมุติตาพลอยยินดีด้วยเพราะฉะนั้นคนก็ทําความดีอะไรก็สนับสนุนส่งเสริมเขามุติตาจะทําให้ส่งเสริมคนดีข้อที่สมันจะคล้ายกับอันที่สองที่ว่าพลอยข้อที่2กรุณาก็คือเขาตกต่ำโดนร้อนเป็นทุกข์ก็พลอยมีใจหวั่นไหวกับความทุกข์ของเขา อันที่สามก็พลอยอีกเขาประสบความสำเร็จได้ดีมีสุขก็พลอยมีใจยินดีด้วยสามแล้วครบแล้วยังสถานการณ์ครบแล้วใช่ไ้ยอ้าวได้สามสถานการณ์เอ๊ะถ้ามีสี่ข้อนี่ทำไมล่ะเอ๊ะไม่เกิดสถานการณ์หรือจะว่าไงล่ะนี่แลเห็นหมาธรรมะว่าไปในแง่หนึ่งก็ลึกซึ้งนะถ้าเข้าใจดีแล้วท่านจะชัดเลยเนี่ย เอก็สมสถานการณ์มันก็น่าจะครบแล้วนะมนุษย์เนี่ยมันจะมีอะไรกันล่ะสถานการณ์ปกติตกต่ำแล้วก็ขึ้นสูงแล้จะมีอะไรสถานการณ์อะไรอีกถ้าคนเราก็ครบแล้วนี่สมสถานการณ์จะเอาไงดีล่ะแต่ท่านบอกไม่พอไม่ครบถ้ามีอยู่แค่นี้ผิดได้วันนี้เราเอาแค่จบหลักนี่ก็พอเลย เียเราจะเป็นพระพรมได้ทุกคนแล้วก็เราจะช่วยกันทำให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขแค่สี่ข้อเนี่ยพอแลอ้วข้อที่สี่ในสำคัญที่สุดก็คือเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งสามข้อแรกเนี่ยเราอยู่กับคนด้วยกันนะเออเพื่อนมนุษย์เราพี่น้องเราเขาก็หนึ่งเป็นปกติสองก็ตกตามดือรอดเป็นทุกข์สามขึ้นสูงใจดีมีสุขเราก็อยู่กับเพื่อนมนุษย์ แต่เพื่อนมนุษย์เรานี่รวมกับเราด้วยเขาเรียกว่าสังคมใช่ไหมสังคมก็คือหมู่มนุษย์อยู่ร่วมกันหมู่มนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีก็สอันนี่แหละก็มีความรักเมตตาปรารถนาดีเป็นมิตรต่อกันช่วยเหลือกันยามเดือดร้อนมีปัญหาแล้วก็ส่งเสริมกันในยามที่ทําความดีเออดีและสังคมก็อยู่ดีแต่สังคมมันไม่ได้อยู่ลําพังมันนะ สังคมเนี่ยอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอีกจริงไหมสังคมอยู่ใต้กฎธรรมชาติสังคมมนุษย์มันอยู่ลําพังเองถ้าสังคมมนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่รู้ทำไม่รู้ความจริงของธรรมชาติทําผิดทําถูกมนุษย์ก็อยู่ไม่รอดใช่ไหมเนี่ยสังคมมนุษย์ที่เดือดร้อนเนี่ยเพราะว่ามันไปทําผิดทําผิดต่อหลักความจริงของธรรมชาติผิดกฎธรรมชาติมันก็เลยยุ่งยากวัญพวนทำไงผิด อ้าวนี่แหละสามอันนี่แหละผิดได้เช่นเราบอกว่าถ้าเขาได้ดีมีสุขขึ้นสูงเราก็ต้องพลอยดีใจด้วยมุทิตาใช่ไหมบางทีเราคิดไม่ถึงเหมือนกันไอตาคนนั้นนะ่ะมันได้ดีมีสุขมันไปรักขโมยก็มาได้ห้าพันบาทมันได้ดีมีสุขเราก็พลอยยินดีส่งเสริมสนับสนุนถูกไหมฮะอ้าวแสดงว่าไอสามข้อเมื่อกี้ชักจะไม่พอแล้ว ทีนี้เราไปเป็นผู้พิพากษาเขาจับโจรมาโจรคนนี้น่ะไปฆ่าคนมาไอ้นี่มาขึ้นศาลกับพิจรารณาเราไปผู้พิพากษารู้แล้วตาคนนี้ฆ่าเขาจริงแล้วคนที่ฆ่าเขากฎหมายวางไว้ใช่ไหมว่าจะต้องรับโทษอย่างแรงอาจจะประหารชีวิตอย่างเบาลงมาอาจจะติดคุกเท่านั้นเท่านี้ปีเราก็สงสารทีในคนนี้จะตกตามเดือนร้อยเป็นทุกข์ ไม่ได้เราต้องช่วยให้มันพ้นทุกข์เราจะต้องตัดสินให้มันไม่ผิดอย่างนี้ใช้ได้ไหมการุณาใช้ได้ไหมไม่ได้ผิดเมื่อกี้มูติตาก็ผิดคราวนี้การุณาก็ผิดแสดงว่าไอ้สามข้อตนเนี่ยไม่แน่เสมอไปเพราะอันนี้แหละเพราะว่ามันอยู่ได้แค่ในสังคมมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง แต่ว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ลําพังมันมีจั ก, กรวาลมีธรรมชาติที่ครอบใหญ่กว่านั้นอีกเราเรียกง่ายๆว่าธรรมหมายความสังคมเนี่ยไม่ได้อยู่กับมนุษย์เท่านั้นต้องอยู่กับธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาติด้วยแล้วจะต้องปฏิบัติให้ถูกแล้วอันนี้ยิ่งใหญ่มากต้องมีปัญญารู้ถ้าไม่รู้แล้วปฏิบัติไม่ถูกเพราะว่าความจริงของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามผล ที่บอกเมื่อกี้เป็นไปนตามเหตุปัจจัยเป็นต้นซึ่งามนุษย์ไม่มีปัญญาไม่มีทางรู้เลยมนุษย์ก็จะต้องมีปัญญาก็รู้ความจริงเข้ามาเรียกว่ารู้ธรรมรู้ธรรมแล้วปฏิบัติให้ถูกตามธรรมตอนนี้พอจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมตามหลักความจริงความถูกต้องอะไรดีงามเนี่ยเราก็ต้องวางใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่าให้มีกรุณาไม่มิวติตาต้องวางใจเป็นกลางเลยเทีนี้ ที่จะไปส่งเสริมก็ไม่ส่งเสริมที่จะไปช่วยอะไรขึ้นมาก็ต้องวางใจเป็นกลางช่วยนี่คือข้อ4คือข้ออะไรครับ <S <S อุเบกขามาแลนี่ไงทำไมอุเบกขาต้องมาเพราะอันนี้เพราะว่าก้าวไปขั้นหนึ่งก็คือก้าวไปสัมพันธ์กับจั ก, กรวาลสัมพันธ์กับความจริงวัตธรรมชาติกฎธรรมชาติธรรมะทั้งหมดเพื่อจะมารักษาสังคมมนุษย์ไว้อีกทีหนึ่ง คล้ายๆว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันอยู่บนธรรมะรองรับไปอีกทีถ้าธรรมะนี้มาอยู่สังคมมนุษย์ก็ไปเลยเาะนั้นมนุษย์ต้องรักษาธรรมะนี้ไว้ด้วยปฏิบัติให้ถูกต้องข้อที่4ก็มาเพื่ออันนี้เพราะว่า3มข้อแรกไม่พอก็คือก้าวไปสู่การที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์ทั้งหมดกับธรรมะความจริงของธรรมชาติอีกทีหนึ่ง เอานะสข้อแรกรักษาความสัมพันธ์ในหมู่มนุษย์เองแล้วข้อ4ก็คือรักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างสังคมมนุษย์ทั้งหมดกับความจริงของธรรมชาติทีนี้อันเนี่ออย่างที่ว่าเราต้องมีปัญญาต้องมีความรู้เข้าใจแล้วก็วางใจเป็นกลางต่อเพื่อนมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมตามหลักการตามความถูกต้องความดีงามความเป็นธรรมความชอบธรรมอนนั้นผู้พิพากษาขึ้นบันลังแล้ว ว่าไปตามหลักการว่าไปตามกติกาต้องวางเฉยต่อในคนนี้ที่ว่าวางเฉยนั้นเพราะว่าเราจะปฏิบัติตามธรรมไม่ใช่วางเฉยชเฉยเฉยอันนี้คนไทยไม่รู้นึกว่าเฉยเฉยคนไทยคือไม่เอาเรื่องใช่ไหมพิธทางพระท่านให้ระวางังเฉยเนี่ยนะท่านแยกไว้มีสิบอย่างเรียกว่าอุเบกขามีสิบอย่างเอาง่ายๆเอาสองอย่างเฉยดีกับเฉยร้าย เฉยไรเนี่ยท you know so ่านเรียกว่าเฉยโง่เฉยโง่คือเฉยไม่รู้เรื่องภาษาเต็มเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยโดยไม่รู้ก็คือเพราะไม่รู้มันก็เลยเฉยจริงไหมคนไม่รู้ี่เฉยไหมเฉยเพราะมันไม่รู้เรื่องนีมีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่รู้ก็เลยเฉยถ้าเฉยอย่างนี้ท่านเรียกว่าเฉยโง่ใช้ไม่ได้เฉยไม่รู้เรื่องเพราะเฉยไม่รู้เรื่องมันก็เฉยไม่เอาเรื่อง ก็เฉยไม่เอาเรื่องมันก็เลยเฉยไม่ได้เรื่องดังนั้นต้องระวังคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดเอาไอ้เฉยอุเบกขาไปเป็นเฉยที่เรียกว่าเฉยงโง่นี่แหละแล้วก็ผิดสิเฉยที่ถูกต้องเฉยได้ปัญญารู้แล้วความจริงมันเป็นอย่างงี้เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะเอากับไอ้หมอนี่ไม่ได้แล้วเราจะไปช่วยไม่ได้แล้วเราจะส่งเสริมไม่ได้แล้วเฉยก่อนแล้วธรรมะหลักการถูกต้องเป็นยังไง เราก็รู้เข้าใจและปฏิบัติตามนั้นก็คือทําให้ถูกต้องตามธรรมะเฉยเพื่อทําให้ถูกต้องตามธรรมะนี่เรียกว่าอุเบกขาเฉยได้ปัญญารู้เข้าใจครบแล้วชัดหรือยังสมเด็จสมบงูงเข้าใจแน่นะอันนี้ไม่มีสงสัยแล้วนะสมเด็จสมมาชัดนะต้องปฏิบัติให้ถูกสมเด็จสิทธาไม่มีปัญหาแน่นะอ่เข้าใจแน่ อันเนี้ยถ้าเราจับหลักได้แล้วมันไม่มีปัญหาเลยแม้แต่ความคลุมเครือก็ไม่มีสับสนก็ไม่มีระหว่างกันนะตอนนี้ไม่ต้องไปพูดละเมตตาคารุณามัทต่างกันยังไงแล้วอุเบกขามเป็นยังไงทําไมต้องมีอุเบกขาเราพูดได้เลยถ้าหากว่าทําตามสามข้อแรกจะผิดเพราะว่ามันไปผิดธรรมะเราก็ต้องอุเบกข า, าเพื่อรักษาธรรมะความถูกต้องไว้ สามข้อแรกนี่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันความรู้สึกรักใครปรารถนาดีสงสารอยากช่วยเหลือมีความพรอยยินดีด้วยความรู้สึกเท่านั้นแต่ข้อสีนี้ต้องมากกับปัญญาคือความรู้ต้องรู้ความจริงว่าเออไอนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหลักการความเป็นธรรมชอบรรมันเป็นยังไงต้องรู้พอ ร, รู้ได้ปัญญาแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมะข้อ4ี่ก็ต้องอาศัยปัญญา มนุษย์เนี่ยต้องดุลกันนี่นี่หลักการทั่วไปต้องจําไว้อีกเงินคือมนุษย์เราเนี่ยมีได้ความรู้สึกก็ได้ความรู้แต่ความรู้สึกนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องพัฒนาเช่นความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกโกรธความรู้สึกคุณมัวความรู้สึกเศร้าหมองอะไรเนี่ยเรียกความรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเราต้องแก้ไม่เอาเราก็มีความรู้สึกที่ดีอย่างที่เราพูดไปแล้วเช่นความรู้สึกร่าเริงเบิกบานฟองใสความรู้สึกปรับปลื้มยินดีปีติอิ่มใจ ความรู้สึกผ่อนคลายสงบเย็นความรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้ด้านความรู้สึกก็ต้องเอาที่ดีๆแต่มีเพียงความรู้สึกไม่พอต้องมีความรู้ด้วยด้านความรู้ก็คือว่าอะไรเป็นอะไรมันจริงไม่จริงมันถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเป็นไงและด้านความรู้นี่แหละจะมาทำให้ความรู้สึกมันพอดีถ้า่งั้นความรู้สึกมันจะพอดีไม่ได้ไอ้ทีไม่ควรจะไปดีใจก็ไปดีใจไอ้ทีไม่ควรเศร้าโศกก็ไปเศร้าโศก เพราะความไม่รู้ความรู้หรือปัญญามันจะมาปรับให้ความรู้สึกพอดีเพราะนั้นมนุษย์เราต้องมีสองด้านให้พอดีความรู้สึกกับความรู้และความรู้ก็มาปรับความรู้สึกให้สมดุลเพราะนั้นเราก็มีหลักที่เรียกว่าพรหมวิหารสีพอ ม, มีก็เท่ากับว่าพรหมสีหน้าก็ครบทุกด้านเลยปฏิบัติเพื่อนมนุษย์ได้พอดีหมดครบทุกสถานการณ์แล้ว ยิ่งกว่านั้นก็คื อ, อยังรักษาความจริงของธรรมชาติตัวธรรมะไว้รองรับสังคมไปได้อีกด้วยถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารสี่ได้โลกนี้ก็สบายถูกไหมพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เป็นความจริงมนุษย์ทุกคนก็เป็นพรหมได้เลยไม่ต้องไปรอพระพรหมโน้นนี่แหละพุทธศาสนาท่านต้องการให้มนุษย์พัฒนาตัวเองให้มนุษย์เนี่ยมารู้จักรับผิดชอบทําเองได้ ไม่ต้องไปรอดนบรรดาลอยู่ไม่งั้นก็รออยู่นั่นแหละอ้อนวอยพระพรมหมไม่ท่านมาทําให้เอานะวันนี้ก็ได้เข้าใจและหลักนี้พรหมวิหารสี่เอาเรื่องราวนี้ไปแนะนําญาติโยมด้วยบอกว่าถ้าคุณยังไปไหว้พระพรหมแล้วก็อย่าลืมนะวันพระอย่าไปเชียวแล้วก็วันพระนี่พระพรหมท่านก็ไปวัดเราก็ต้องไปวัดเหมือนกันถ้าจะไปหาพระพรหมต้องถามท่านด้วยเมื่อวานวันพระ พระพรมบอกว่าไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแสดงทำอะไรใชว่าจะไปเอาอย่างเดียวอ่าแล้วผมฝากเป็นการบ้านให้ท่านไปคือพรหมวิหารสี่เนี่ยที่ใช้สําคัญมากแดนต้นแหล่งที่มาของโลกทั้งหมดเนี่ยมาจากในบ้านโรคมนุษย์เราเนี่ยที่แท้ก็มาจากครอบครัวนี่แหละเป็นสังคมต้นแบบสังคมแรก พรหมวิหารสี่ก็เลยต้องใช้ในบ้านก่อนให้ท่านไปพิจารณาว่าคุณพ่อคุณแม่มีพรหมวิหารอย่างไรนอกจากว่าท่านมีอย่างไรแล้วถ้าเราไปเป็นพ่อแม่เราจะปฏิบัติอย่างไรจะได้เลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตอย่างดีฝากไปให้เป็นการบ้านให้ไปคิดปฏิบัติอย่างไรก็คือปฏิบัติระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่จะปฏิบัติต่อลูกอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักพรหมวิหารสี่เนี่ย ให้ไปคิดนะลูกมีสามสถานการณ์อย่างไรเราปฏิบัติต่อลูกด้วยสามข้อแรกอย่างไรแล้วก็ข้อที่4ี่ปฏิบัติต่อลูกเมื่อไรข้อที่4ี่นี่แหละยากพ่อแม่จะมีอุเบกขาต่อลูกเมื่อไรอย่างไรถ้าท่านคิดออกนะนี่แหละถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกได้อย่างพัฒนาจเจริญ ง, งอกงามก้าวหน้ามีความเข้มแข็งและมีความสุขให้เอาหลักนี้ไปคิด ตีให้แตกแล้วถ้ามีโอกาสก็มาคุยเรื่องนี้ต่ออีกหน่อยอันนี้ก็ไม่ยาวแล้วเพราะว่าได้หลักใหญ่แล้วเอานะวันนี้ว่าสซะยาวเลยเรื่องพระพรหมก็ดีเป็นการที่ได้มองกว้างให้เข้ใจแล้วก็ชัดไปเลยเราจะได้เห็นพุทธศาสนาจเจริญมาอย่างไงแล้วสอนยังไงไม่มีอะไรสงสัยนะอ่าไม่มีสงสัยวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อน